มีคำถามที่อาตมานะถูกถามบ่อยแล้วก็คงอยู่ในนะความสงสัยนะของหลายคนก็คือว่าจะปฏิบัติธรรมเวลาไหนดีจะปฏิบัติธรรมที่ไหนดีนะ หรางคนก็อาจจะบอกว่าปฏิบัติธรรมเวลาไหนเวลาไหนที่ดีที่สุดปฏิบัติธรรมที่ไหนนะจึงจะดีที่สุดหลายคนก็อาจจะนึกอยู่ในใจว่าก่อนนอนบ้างละหรือว่าเวลาตื่นนอนใหม่ๆบ้างละนะส่วนสถานที่บางก็ว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยดี บางคนก็ว่าต้องปฏิบัติธรรมที่บ้านนะเพราะว่ามันมีสิ่งกระทบเยอะจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมเวลาไหนที่ดีที่สุดนะก็คือตอนนี้แหละนะตอนนี้แหละคือ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 เวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติก็คือตอนนี้สถานที่ที่ปฏิบัติทำดีที่สุดก็คือตรงนี้แหละทำเดี๋ยวนี้นะทำตอนนี้ทำตรงนี้เลยอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยนะก็ปฏิบัติทำโดยการฟังทำฟังทมอย่างมีสตินะ ระางที่ฟังทำใจมันอาจจะหลุดลอยไปก็รู้ตัวเมื่อไหร่ดึงกลับมาอยู่กับการฟังทำหรือจะไม่ฟังทำก็ได้นะเช่นอาจจะ ก, กําลังยกมือสร้างจังหวะก็ให้มีสะติรู้อยู่กับการยกมืออาจจะต้องเริ่มต้นจากการทําทีไรอย่างนะฟังก็ฟังยกมือก็ยกมือนะอันนี้ก็เรียกว่าทํา ให้ใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่ในครัวก็ควรใช้เวลาที่อยู่ในครัวตรงนั้นแหละนะปฏิบัติทรรมก็คือมีสตินะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ย จะเป็นเวลาไหนนะมันก็เป็นการปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นนอนนะสะลัดความง่วงออกไปทำความรู้สึกตัวขณะที่ลุกขึ้นเก็บที่นอนเดินไปล้างหน้าถูฟันนะก็ให้มีความรู้สึกตัวมีสติ ไม่ว่าปัจจุบันนะทอะไรเนี่ยนะก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วยิงพวกเราเนี่ยได้ฝึกนะให้รู้กายเวลากายมันทําอะไรนะก็ให้รู้นะเวลายกมือไม่ว่ายกมือทําอะไร ไม่ใช่แค่ยกมือสร้างจังหวะยกมือล้างหน้ายกมือตักอาหารนะหรือว่ายกมือตักขันน้ำเนี่ยนะเพื่ออาบน้ำระหว่างกายทำอะไรเนี่ยใจก็รับรู้เนะ ท, ที่เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวนะ แม้แต่เวลาเรานั่งนิ่งๆ น, นะมันจะมีบางช่วงที่เราจะนั่งนิ่งๆเช่นกำลังอุจระนะอา้าวเราก็อาจจะขยับนิ้วขยับมือคลึงนิ้วนะหรือว่าตามลมหายใจนะมันมีการเคลื่อนไหวของกายลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกหรือว่านิ้วที่ขยับไปมา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 เวลาทาอะไรเนี่ยนะใจก็รับรู้นะไม่ใช่ว่ากายทําแต่ว่าใจไปไหนก็ไม่รู้กายยกมือกายกำลังอาบน้ำแต่ว่าใจไปอยู่ที่บ้า น, นไปอยู่ที่ทำางานนะอันนั้นก็ไม่ใช่ละ เวลาวางของเนี่ยก็ให้วางด้วยความรู้สึกตัวสังเกตไหมเวลาเราวางของเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราทำไปตามความเคยชินหรือว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวอาจจะกำลังน่นึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงรถนะที่ยังไม่ได้ล้างไอตอนที่วางแล้วก็นึกโน่นนึกนี่นะมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่า เวลาจะเวลาจะใช้ของนั้นเนี่ยเช่นปากกาแว่นตาโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าเงินหรือว่ากุญแจหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหนนะ อันนี้เรียกว่าวางของเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะไม่มีสติไอ้ตรงนั่นแหละที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะไม่ว่าหยิบจับอะไรหรือว่าวางของอะไรเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วแหละคือมีสติทาอะไรก็แม้จะเล็กน้อยก็ทำด้วยความรู้สึกตัว การเกการเวลาเราเจออะไรเนี่ยนะเราเจออะไรไม่ว่าจะได้ยินเสียงเจอผู้คนหรือเจอเหตุการณ์ต่างๆนะได้ฟังได้ยินเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะก็ปฏิบัติทำได้ด้วยการมีสติ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 เราเจออะไรก็ตามซึ่ง mm hmm. ภาษาพราะเรียกว่าเกิดผัสสะนะไม่ว่าเราเจออะไรเนี่ยนะตรงนั้นแหละตอนนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นโอกาสการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็ mm hmm. จะเป็นการบ้านนะ mm hmm. เพื่อมาให้เราได้ฝึกปฏิบัติปฏิบัต อย่างแรกคือการเจริญสติก็คือรู้ใจที่มันกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงรู้ใจที่มันยินยินดียินร้ายนะรวมทั้งรู้เวทนาสุขหรือทุกนะร้อนหนาวนะหรือว่าเมื่อยผ่อนคลายาเคยใช้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาเป็นแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมไหมเป็นการบ้านในการเจริญสติหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันมากำหนดนะมาปรุงแต่งหรือว่ามาคร่อบ ง, งำจิตใจเราเจอเสียงดังก็ทุกข์เจอรถติดก็ทุกข์นะเจอใครนินทาก็ทุกข์โกรธโมโห เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติในขณะที่มันเกิดผัสสะเราก็เลยตกเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรวมทั้งธรรมารมณ์หรือความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยคนทุกวันนี้เนี่ยตกเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมภายนอก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 เป็นเรื่องที่เราเจตนานะเช่นอาบน้ำเช่นกินข้าวนะหรือว่าพูดคุยอยู่ได้บทน้อยใหญ่ก็เป็นเรื่องทํทั้งนั้นแหละนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะคู่ขาเหยียดขาเหลียวซ้ายและขวากินดื่มเคี้ยวลิ้มใส่เสื้อผ้าคลองจิวรสะายบาท อุจลปสัสสาวะนะยืนเดินนั่งหลับตาลืมตาพูดนิ่งนี่เราทำทั้งนั้นแหละนะเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยนะขับรถตักน้ำมันใช้กายในการทำ ก็เจริญสติไปคือมีสติรู้มีความรู้สึกตัว อ, อันนี้เรียก ง, ง่ายว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะกิจเนี่ยที่คือกิจา ก, การงานนะเรียบบทน้อยใหญ่ตอนนี้พอเจออะไรเนี่ยน ะ, ะใจกระเพื่อมใจมันฟุ้งปรุงแต่งก็รู้ใจยินดียินรก็รู้นะี ก็สรุปว่าเนี่ยเห็นใจคิดนึกนะเมื่อเจอหรือเมื่อเกิดผัสสะนะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะรู้ใจคิดนึกนะเมื่อเกิดผัสสะหรือว่ารู้ใจคิดนึกเมื่อเจอนั่นเจอ น, นี้นะอันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างแรกเลยนะที่เราควรจะทำแนะ่ใจได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่นะมัน ถ้าเราเข้าใจว่ามันทาได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้นะแม้ว่าเราทำไปแล้วเราเจออะไรนี่มันปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นนะปฏิบัติทำตอนที่ทำนัน่นทานี่เนี่ยจะไม่ยากเท่ากับตอนเจอนั่นเจอนี้เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราเจตนาทำนะ แต่ไอเจอเนี่ยนะบางทีเราไม่อยากจะเจอมาต้องเจอเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาทำเนี่ยเราเรามักจะทำในสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่เราคุ้นนะแต่เวลาเจอเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะนะเจอสิ่งที่ไม่ชอบไปเยอะตรงนั่นแหละนั่นที่เป็นเวลาสาระการปฏิบัติธรรม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 เรารู้จักทำใจให้เป็นปกติเรารู้จักวางเวทนานะไม่ไปยึดติดในเวทนานั้นไอ้ทุกขเวทนาความเจ็บปวดนี้ไม่มีใครชอบนะแต่พอเกิดขึ้นทีไรไปยึดมันทุกทีนะไปจดจอมันทุกทีนะไปแบกไปยึดว่ามันเป็นเราของเราเป็นกูของกูไม่ชอบแล้วทำไมถึงยึดนะนี่เพราะไม่ได้ฝึกสตินะ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 เพราะว่ามันเป็นการเตือนที่เราไม่ประมาทเวลาเจอคนกินเหล้าเมายาหรือได้ข่าวว่าคนฆ่าตัวตายก็อย่าไปต่อว่าเขาว่าพวกนี้มันแย่นะจิตใจอ่อนแอหรือว่าลุ่มหลงเตือนใจเราว่าเออสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะ อาจจะเป็นคนขี้เล่าเมายาอย่างเขาก็ได้อตาตมาก็เจอมาเยอะนะพระเนี่ยที่ตอนบวชนี่ก็ดา่าพวกที่ติดเล่านะหาว่างโงยิ่งกว่าหมานะหมานี่ระหว่างเล่ากับขี้เนี่ยมันกินขี้นะมันไม่กินเล่านะ <c oughs> ก็เทศโจมตีคนกินเล่าแต่พอศึกไปน ะ, ะก็ บางทีขายเหล้าหรือว่าหนักกันนะบางทีติดเหล้าติดเหล้าเ ม, มาไมเลยนะจนไม่เป็นอันธรรมาหากินเลยจนกระทั่งถูกคนเขาลังเกียดเหยียดหยามจากที่เคยยกย่องว่าเป็นพระนะเขาก็ต่อมาเขาก็ลังเกียดนะแล้วก็ตายอย่างคนอนาถาก็มีหรือบางทีก็ฆ่าตัวตายก็มีนะ เป็นพระเนี่ยตอนเป็นพระนี่กนะ็อาหารนะล่าเรืองในธรรมหรือว่าสอนคนได้มากมายแต่สุดท้ายนะพอเจอชีวิตเนี่ยนะเจอปัญหาชีวิตสักระนา ม, มากมายค่าตัวตายอันนี้เราอย่าไปมองว่าเขาอ่อนแอนะแต่ให้เรามองว่าเออสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะ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 ถ้าเราได้ยินข่าวลือในทางลบเกี่ยวคนค น, นนั้นเนี่ยเราจะเชื่อทันทีเลยนะเพราะมันไปยืนยันอคติของเราทั้งที่ข่าวอาจจะเป็นข่าวเท็จก็ได้ข่าวลือก็ได้นะีหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะพวกมุสลิมอิสลามนะพอมีข่าวลือทางลายเนี่ยว่ามุสลิมเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เชื่อทันทีเลย ไม่มีการตรวจสอบแล้วคนที่เชื่อหลายคนก็เป็นชาวพุทธนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ใช้หลักกรารมาสูตรทั้งที่พูะเจ้านีสอบได้ต้อง2600ปีแล้วต้องใช้นะกรารมาสูตรนะทันทีที่เราใช้กรารมาสูตรนั่นแสดงว่าเราปฏิบัติทมแล้วส่วที่สำคัญมากเลยนะการรับฟังข้อมูลข่าวสาร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 เวลาของเราหายเนี่ยนะเราก็ปักใจเชื่อว่าเนี่ยคนทำความสะอาดนะในบ้านนี้หรือว่าในรีสอร์ทนี้เนี่ยเอาไปพอเราปักใจเชื่ อ, องี้นะเวลาเราเห็นใครเนี่ยเวลาเราเห็นเขาเนี่ยไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีพิรุธไปหมดเลยนะ แต่พอทีหลังเราพบว่าของนั้นไม่ได้หายมันแค่ตกอยู่หลังตู้เขาไม่ได้ออกไปสิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับตัวเขามันจะเปลี่ยนไปเลยนะคำพูดคำจากุรียาท่าทางนี่จะไม่มีพิรุษนะมันเป็นอาการคนปกติคนที่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีรับลมคมในอะไรจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนท่าทีนะเขายังเหมือนเดิมแต่ว่าเราเนี่ยนะ เราการมองเรามันเปลี่ยนไปตอนที่เราเชื่อเขาเป็นขโมยแล้วก็เห็นเขาทำอะไรเป็นมีพฤติเป็นหมดแต่พอเราลวกเขาไม่ใช่ขโมยสิ่งที่เรารับรู้มันก็เปลี่ยนไปมาไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเขาเขายังทำเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราต่างหากที่เปลี่ยนอันนี้พอเราเมีตาเตมีความคิดบางอย่างนะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันนะมีลักษณะ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 ต่อมาผู้ชายนี่แกก็มีลูกนะลูกก็ตัวเล็กๆยังแบบเบาอยู่เลยมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ก็บังเกินต้องออกไปข้างนอกประเดี๋ยวเดียวเองนะให้พี่เลี้ยงดูแลพี่เลี้ยงก็ดันออกไปนะไปไปไปรีดผ้าปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนอนอยู่คนเดียวบนพื้นอ่ะนะ มันร้อนน่ะเลยต้องให้นอนบนพื้นก็มีเบาะวางอยู่ก็พอดีมันมีงูงูเข้ามานะงูงูงูเห่างูเห่ามันเข้ามาในห้องที่เด็กนอนอยู่พังพอนเห็นมันก็นะมันก็สู้กับงูทันทีนะมันเชื่องนี่มันก็รู้ว่างูเนี่ยเป็นอันตรายต่อเด็กทารกของเจ้านายมันก็สู้กัดนะงูนี่เลือดสาดเลย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 พังพรเนี่ยมันกัดลูกของตัวกัดจนตายเลยเพราะเด็กนิ่งๆไปเลยนะสรุปทันทีเลยนะก็เลยโกรธนะลากพังพรไปแล้วก็ไปฆ่าจนตายฆ่าตายคามือเลยพอฆ่าตายจึงสักพักก็พบว่าเด็กเนี่ยมันก็ตื่นเด็กไม่ตา ย, ยแถมไปเจอซากงูด้วย ปติปตอเรื่องได้กระพบก็เลขกสรุปได้ว่าอ๋อพังพอนี่มันช่วยกัดงูเพื่อรักษารักษาชีวิตของลูกเอาไว้แต่ตัวเองนี่ฆ่าพังพอนที่ซื่อสัตย์ไปละเสียใจยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันสรุปเลยนะว่าพังพอนเนี่ยทำร้ายหรือฆ่าลูกของตัวเ พ, พราะะรเพราะลักษณะอาการนี่มันชวนให้สุ่แบบนั้นเลือด ก, กเ็เต็มเต็มบบา เซ็นไปถูกตัวเด็กแลนะพังพรก็มีเลือดที่ปากนะอันนี้พ่อไม่ใช่หลักกรารมาสูบนะก็เลยสรุปว่าพังพรฆ่าลูกของเรานะอันนี้เราไม่มีสตินะถ้ามีสตินะถ้าปฏิบัติธรรมนะเจอแบบนี้เนี่ยมันจะไม่รีบด่วนสรุปนะจะไม่รีบด่วนสรุป อย่างน้อยก็ต้องเช็ค ก, ก่อนว่าลูกเราตายจริงหรือเปล่าลูกเรามีแผลไหมนะถ้ามาสารวจดูยิ่งไม่มีแผลเลยเลยมันมีแต่เลือดกระเซ็นไปถูกแค่นั้นเองนี่เรียกว่าไม่มีสตินี่เราไม่ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ใช้หลักการามาสูตรเวลาเห็นอะไรเนี่ยนะท่านก็บอกอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะ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 แต่เพื่อนไม่เชื่อนะเพื่อนก็เดินนะ้าสาวท่อไปที่แบงก์นั้นแล้วก็หยิบมาพบอกว่าเป็นแบงก์จริงเนี่ยเพื่อนได้ไปสามพันะอ้วนนี่เห็นคนแรกอดแต่เพื่อนก็ดีนะมีน้ําใจแบ่งให้อ้วนพนะันห้าอ้วนเนี่ยเชื่อเหตุผลนะเหตุผลของอ้วนคือว่าถ้าแบงก์จริงเนี่ยมันต้องมีคนหยิบไปลนะเหตุผลฟังดูดีนะ แต่แล้วก็คงรู้ใช่ไหมบางบางครั้งเนี่ยไอ้คนมันก็เดินผ่านไปผ่านมามนก็ไม่เห็นแบงก์เหมือนกันคนไม่เห็นแบงก์เพราะจะคุยกันเพลินหรือมองไปที่ถนนข้างล่างอย่าปรงใจเชื่ อ, องเพยพเพราะว่ามันมีเหตุผลหรือปรงใจเชื่อเพราะการรู้มานให้เวลาเราเจออะไรเนี่ยนะไม่ว่าเจอแบงก์เจอคนเจอคนป่วยนะ เจอเหตุร้ายเนี่ยนะมันปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นนะอย่างน้อยๆก็ไม่ด่วนสรุปใช้หลักกาละมาสูตรอย่างน้อยๆก็มีสติดูใจเราไปด้วยนะดูนอกนะแล้วก็ดูในดูนอกนี่ก็ไม่ด่วนสรุปนี่ก็เรียกว่าพอใช้หลักกาละมาสูตรนะหรือว่ารู้จักใช้เพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทนี่เรียกว่าดูนอก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 ต้องประกอบสัมมาอาชีวะจะพูด จ, จาอะไรก็นะก็ต้องพูดอย่างมีปิยญวาจาไม่โกหกไอ้พวกนี้ก็เป็นธรรมมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเวลาที่ดีสวยก็คือตรงนี้ตอนนี้แหละไม่ว่าทำอะไรก็ตามหรือไม่ว่าเจออะไรก็ตามปฏิบัติธรรมได้เลย แะสถานที่ที่ดีนะที่ดีที่สุดกนะ็คือตรงนี้นะไม่ว่าตรงนี้มันจะเป็นวัดเป็นบ้านกลางถนนนะโรงพยาบาล น, นะหรือว่าสาลาสวดศพนะก็ปฏิบัติทำได้นะสรุปว่าคือปฏิบัติรำเนี่ยมันทําได้ทุกเวลาทําได้ทุกที่นะขอให้ทำก็แล้วกันแล้วก็เอาที่ปัจจุบันนั่นแหละนะไม่ต้อง